บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในวันก่อนถึงการพิจารณาตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่ให้มีการตรวจสอบโดยตนของตนเอง ตามหลักพระธรรมกุณที่ว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองธรรมะทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสัสรูและทรงแสดงไว้นั่นสามารถสรุปรวมลงที่อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการดางได้กล่าวมาแล้วด้วยลำดับเฉพาะในวันนี้ข้อที่ควรกำหนดตรวจสอบ ปีตพิจารณาก็คือเรื่องของสมุทัยสัตว์ที่ทรงใช้คําว่าความรู้เห็นในสมุทัยสัตว์ในขั้นตอนของความรู้เห็นสมุทัยสัตว์คือเหตุเกิดแห่งความทุกข์นั้นทรงแสดงไว้โดยอเน ก, กประยายแล้วก็หลายระดับด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวเพียงสามระดับ ระดับแรกก็คือรู้ถึงสภาวะของกิเลสทั้งหลายว่าจะมีชื่อว่าตันหาชื่อว่าโลกกรดลงหรือชื่อว่าอย่างอื่นก็ตามแลผลจากการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นสภาวะของกิเลสต่านี้ได้หรือไม่ การมองเห็นนั้นอาจจะมองมาจากข้างนอกก่อนก็ได้หรื อ, อ จ, จะเห็นขึ้นไปจากข้างในก็ได้อาจจะมองจากสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือเป็นคนเป็นสัตว์ก็ได้คือมองที่เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมล้วนๆที่เรียกว่าสภาวะของธรรมะเหล่านั้นก็ได้แต่การมองนั้นบางครั้ง ต้องเป็นการมองในลักษณะที่สืบสาวให้ลึกลงไปถึงสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งความทุกข์แต่มองในตอนแรกมันก็เห็นภาพของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆก็พยายามสืบสาวเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุที่แท้ จ, จริงเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไร การศึกษาเรียนรู้ในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นยานกรณีตัวอย่างของมาทุกขขกรันไทรสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกขนาดใหญ่ในโลกเริ่มไปจาก ย, ย่อยๆจนถึงกลายเป็นสงครามโลกคือคนหลายเผ่าพัน์มารบราข้าวฟันกันมีสูญหายล้มตายกันเป็นอย่างมาก แล้วทรงสอนในสืบสาวจากทุกนั่นเองข้าไปหาสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆก็จะพบว่าผลคือความพิบัติเดือดร้อนการพลรัดพลาดความสูญเสียทั้งหมดแท้จริงแล้วเกิดขึ้นมาจากจิตซึ่งประกอบด้วยกิเลสของบุคคลที่สร้างเ ห, เหตุเหล่านั้นขึ้นมานั่นเองเราะการศึกษาสมุทัยศัตร์ในแนวนี้ บุคคลอาจจะมองจากเรื่องต่างๆเช่นเรื่องวรรณคดีเป็นรามเกียรติแต่จะพบว่าต้นเหตุของรามเกียรตินั้นมาจากกทธิสยาและราคะเป็นเรื่องใหญ่การที่พระรามต้องออกไปจากเมืองก็เพราะฤทธิ์สยาของความฤทธิ์ยาภายในใจของนางไกยเกศี การที่ต้องเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อยาวนานล้มตายกันเป็นนันมากก็เพราะเรื่องของราค่ะที่มีอยู่ภายในจิตใจของทศกันเมื่อควายนึงเกิดอาการอย่างหนึ่งควายนึงก็เกิดเป็นปฏิคะคือไม่พอใจแล้วในที่สุดก็มีการต่อสู้ข้าวฟันล้มตายกันเป็นนันมากตัวเนี้จริงๆมันก็มาจากจุดเล็กๆ คือเรื่องกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจนี่เป็นการมองโทษถือว่ามองไปจากทุกข์กระสแล้วก็สืบสาวเข้าไปถึงต้นตอของเหตุเกิดความทุกข์ น, นั้นบุคคลก็จะพบเห็นว่าความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นในโลกแล้วกเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามสืบสาวไปถึงก้นบึ้งของสาเหตุที่แท้ จ, จริงก็จะพบว่าอยู่ที่จิต ซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสเป็นเอเรตบุคคลกระทำออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ดึงพักพวกเพื่องฝูงเขามาร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเป็นลักษณะของจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะจิตถูกปรุงด้วยสิ่งที่เป็นกิเลสนี่ก็เป็นลักษณะของกิเลสที่เป็นรูปธปรรมคือออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว แต่บางครั้งก็อาจจะดูกิริยาอาการต่างๆที่ขาดความสงบขาดความสำรวมระวังขาดความสานึกถึงกาลเทศะบริษัทบุคคลที่แสดงออกมาเป็นต้นมองย้อนกลับไปที่ใจถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบุคคลก็จะได้คําตอบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตไม่มั่นคงไม่สามารถควบคุมจิตไว้ได้ ไม่จิกกระดิน่นก็บงังคับไปอาการทางกายทางวาจาดิน่นถ้าดิ่นไม่รุนแรงก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ารุนแรงก็ออกมาในรูปของการผิดศีลหรือประการต่างๆบางครั้งอาจจะมองเห็นในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะว่าลักษณะของกิเลสประเภทต่างๆ พระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปวราคะนั้นราคะหรือโลภะเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษน้อยแต่ว่าคลายไปจากใจได้ช้าพวกความรักความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความอะไรความเยื่อใยต่างๆเป็นลักษณะบันเทิงใจ ก็เกิดความสนุกสนานรื่นเริงไปด้วยประการต่างๆถึงแม้จะรุนแรงแต่ก็รุนแรงในลักษณะที่หมกมุ่นวุ่นวายแต่การจะหายออกไปจากจิตใจนั้นหายไปได้ช้าเพราะมีลักษณะเป็นสายใหญ่เป็นยางเหนียวคอยกระตุกจิตให้กลับอยู่ตลอดถึงอาจจะดูในช่วงยาบๆเสียก่อนก็ได้ ในส่วนจากๆให้นองสังเกตว่าตะกิเลยประเภทโลภะหรือราคะเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจจะทําให้เหลียวหน้าเหลียวหลังจะทําให้เป็นห่วงใจวิตกกังวลอาจจะมาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ห่วงใยถึงการงานห่วงใยถึงทรัพย์สมบัติห่วงใยถึงลูกถึงบุตรถึงภรนยาสามี นี่แสดงให้เห็นถึงว่ามีลักษณะเป็นสายใหญ่บางครั้งก็เพื่อเจ้าสงช่ยกับว่าเป็นยางเหนียวบางครั้งสงช่ยกับว่าเปื่อตมลักษณะของเปื่กตมก็ดีอยางเหนียวก็ดีคือมันติดติดแล้วถ้าปล่อยเอาไว้มันจะจับแน่นเ๋ยจะมีการแข็งตัวเอาก็จริงเราเอาออกได้ยาก กิเลประเภทนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้ในขั้นตอนของการปฏิบัติกรรมฐานเองตัวการใหญ่ของสมาธินั้นทงแสดงว่าสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อการฉันซึ่งหมายความว่าสมาธิกับความรู้สึกอะไรเยใหญ่รักใคร่ ย, ยินดีเพลิดเพลินนั้นจะไม่ร่วมกันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็ไม่เกิด ตอนนั้นผู้ปฏิบัติจะพบด้วยตัวของตัวเองว่าอยู่หลายครั้งอาจจะบ่อยครั้งที่ใจน้อมเข้าหาความสงบเกือบจะยั่งสู่ความสงบเกือบจะพักอยู่ได้แต่ใจจะถูกกระตุกมาด้วยกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะประเภทความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีและบางครั้งอาจจะมองเห็นถึง ลักษณะของภวะตันหาที่เป็นยางเหนียวกระตุกจิตกลับมาจากความสงบเกิดเสียดายจะไม่ได้เกิดกลัวจะบรรลุนิพพานโดยก็ทำใจให้ฟุ้งต่อไปมันมีลักษณะบางครั้งคล้ายๆกับถูกดึงอย่างแรงแต่กระตุกกลับอย่างแรงเพราะในแง่ของโทษ ก็มีโทษไม่ค่อยรุนแรงเ็เป็นพวกลักษณะสร้างโลกลักษณะรักษาโลกแต่ว่าจะหายไปจากจิตใจนั้นหายไปได้ชา้าคนที่ทำกิเลสประเภทนี้หายไปได้ก็มีตั้งแต่พระนาคามีกับพระอาหารหันต์เท่านั้นมันมีลึกลงไปโดยลำดับลึกลงขนาดราพูดได้ชานเสื่อมชานทีเดียวระยะบุคคลระ ด, ดับ โสดาสกิตาคายัางละไม่ได้เพราะงั้นก็ให้ดูถึงสภาวะของความรู้สึกที่เป็นเยื่อใยเป็นอะไรเป็นเปลือกตุมเป็นบ่วงที่มีอยู่ภายในใจแต่บางครั้งก็ดูในส่วนดึกเวลาขณะบำเพ็ญกรรมฐานเป็นต้นดังกล่าวนี่ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้ถึง สภาวะของกิเลสในชั้นต่างๆแจริงเรารู้ได้ทุกคนทุกแข่งแล้วก็ทุกชั้นประการที่สองต้องมองเห็นโทษอะไรก็ตามถ้าบุคคลไม่มองเห็นเป็นโทษสํานวนบาลีที่ทรงใช้ทรงใช้คําว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษฟังแล้วอาจจะเป็นสํานวนบาลีแต่ก็ข้อความชัดเจนมาก หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นโทษโดยสภาพของมันแต่ถ้าคนยังไม่มองเห็นว่าเป็นโทษตราบใดใจจะเหนื่อยหน่ายจะระอาจะถ่ายถอนจะหลีกหนีจะงดเว้นย่อไม่เกิดขึ้นมาได้ตั้นั้นความคำ ว, ว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษในที่นี้หมายความว่าความเห็นนั้นต้องประจักษแก่ใจ จนรู้สึกรังเกียจขยะแยะ่งระอาเหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแต่เพื่อหเห็นชัดบางครั้งท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่เจองูถูกงูกัดได้รับความเจ็บปวดรวดร้รวจากพิษงูแล้วก็ต่อมาก็พยายามหลีกเว้นไม่ยอมเข้าใกล้งูอีกต่อไป ใจที่มองเห็นโทษของกิเลสจะต้องมองเห็นในลักษณะนั้นจนเกิดความกลัวกิเลสความต้องการจะหลีกหนีกิเลสต่อนั้นเกิดขึ้นภายในจิตจะเกิดขึ้นได้มากเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์มากเท่านั้นแต่สรุปว่าในชั้นนี้ต้องมองเห็นภยัยเห็นโทษเห็นอันตราย สิ่งอะไรก็ตามที่เรามองเห็นไฟเห็นโทษเห็นอันตรายแต่จําเป็นจะต้องเข้าใกล้จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องจะมองเห็นความร้อนของไฟเวลาเข้าใกล้ไฟเวลาต้องปฏิบัติอะไรเกี่ยวกับไฟจะมีความสํารวมระมัด ร, ระวังกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่รู้ว่างูนั้นมีพิษแต่เราต้องเกี่ยวข้องกับงูก็ต้องมีวิธีจับูอย่าให้งูฉกเอาตาย นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เรายังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยแต่ก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ในชั้นแรกต้องรู้โทษในชั้นที่สองนั้นเป็นการรู้วิธีบรรเทาโทษของครับ็คือมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ยังไงยังไงยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ทำอย่างไรจึงจะ ให้เกิดโทษน้อยให้มีความเจ็บปวดรวดร้าวน้อยถ้าจำเป็นจะต้องเจ็บปวดรวดราวจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องแล้วประการต่อไปก็สงสอนให้มองว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องลกเพราะอยู่ในกลุ่มของปาหาตัประธรรมเป็นธรรมะที่ศึกษาเรียนรู้โดยสภาพของมันเป็นอย่างไรโดยโทษเป็นยังไง ในความแผดเผากอให้เกิดความเร่าร้อนทั้งส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมสวนที่เป็นนามรธรรมและสวนที่ละเอียดลงไปประการต่อไปก็คือดูทีละทีนี่คือเป็นการพิสูจน์ทดสอบถึงผลจริงๆนั่นเหมือนกับอะไราคือธรรมะนั้นเป็นโอสถที่บำบัดโรค ก, การที่จะได้รับผลจากธรรมะก็คือโรคต้องลด ถ้าโรคยังไม่ลดก็แสดงว่าเรายัางไม่ได้รับผลจากจากจาชั้นใดการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องมีการลดละลงไปในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นความอยากที่รุนแรงจนไม่ดูตามาตาเรือที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะกระทำไปตามนั้นมาแล้วเวลานี้ได้มีการลดละเปลี่ยนแปลงไปไหม ถือตามปกติก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คงจะไม่เข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมจาศีลแต่อย่าลืมว่ากิเลสประเภทที่ให้ไปอบายนั้นไม่ได้มีเฉพาะชั้นนั้นแต่ก็มีอยู่ทุกชั้นในชั้นของความอยากเกินส่วนที่มากเกินพอดีเกินความจําเป็นเกินต้องการไป จนล้ำเส้นของศีลธรรมจันย่าก็มีการตรวจสอบว่ามีความประนีตลงไปบ้างไหมเช่นการแสดงความอยากความละโมบจนถึงล้ำเส้นศีลธรรมคือผิดศีลออกไปเคยมีไหมถ้ามีลดลงบ้างไหมถ้าลดลงลดลงมากหรือน้อยหลงที่ไม่มีเหตุผลบ้าง อยากที่ไม่มีเหตุผลเสีก่อน้าเห็นว่าลดละลงไปได้ก็ดูว่าจะเป็นเกินพอดีไปมีมไหมหรือว่าจนล้ำเส้นของศีลไปถ้ายังมีอยู่ก็ลดลงไปจนมาอยู่ในจุดที่เป็นถูกควบคุมไว้ด้วยวิจีตสุจริตนี่ก็แสดงว่าในกรอบของศีลในชั้นของศีล กิเลสประเภทหยาบหยาบก็ดูที่จิตมีเมตตากรุณาต่อคนอื่นเพิ่มขึ้นถาว่าไม่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่ากิเลสไม่ได้ลดการที่กิเลสไม่ได้ลดแสดงว่าปัญญานั้นก็ผิดนี่คือเป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบกลับไปกลับมาตรวจสอบกันในองค์ธรรมสามประการนี้แล้วก็มาดูที่จิตด้านการดูความรู้สึกนึกคิดภายในจิต ในกรณีนี้กด็ดูว่าจิตมันสงบขึ้นไหมจิตบริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมไหมไม่ได้มองในแง่ว่าบริสุทธิ์หมดจดแต่บริสุทธิ์มองในแง่ว่าบริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเราอาจจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังมีความคิดอยากฆ่าอยู่บ้างไหมรู้สึกสะใจรู้สึกมันภายในใจที่ได้เห็นการฆ่า อยากดูข่าวการฆ่าไหมอยากได้ยินข่าวการฆ่าไหมอยากได้ฟังเรื่องราวต่างๆดูภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการฆ่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับการฆ่าไหมแต่เราต้องดูภาพพยนต์ที่เกี่ยวกับการฆ่าข่าฟันฟันแทงแทงไหถ้าใจยังมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่แสดงว่าใจอยากไม่ฆ่าเอง แต่ว่าชื่นชมยินดีกับการฆ่าของคนอื่นแสดงให้เห็นว่าภายในใจนั้นยังมีโลภะยังมีวิหิงสาเต่จะแรงแล้วพร้อมที่จะไวไฟคือรับเชื้อมาจากข้างนอกแล้วก็โจรลงสู่ความขัดแย้งการปราดประหารกันได้ง่ายในด้านจิตใจที่เกี่ยวกับความโลภเราจะงดเว้นในด้านอาทินนาทาน แต่ว่าสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำอาจจะเกิดขึ้นจากการแจกการชำร่วยมีการรับเกินส่วนไหมมีความอยากได้เกินส่วนไหมถ้ า, ากายังมีลักษณะที่เรรียกว่าอภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้อยู่กรหมายความา ก, ก็ใกล้เส้นขนานของการผิดอธินาทานอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง ยังมีลักษณะเสี่ยงอยู่แต่ถ้ามองในแง่ลดละมันก็ลดละลงไปมากแต่มองในแง่ของความมั่นใจก็ไม่ควรแก่การมั่นใจเพราะยังไวไฟยังใกล้ต่ออันตรายเปนเรื่องที่จะต้องเพียรพยายามต่อไปมามองในแง่ของนั่นกรรมเมสุมิชาจาย์ซึ่งไม่ผิดศีลแล้วในชั้นศีล แต่มีความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อการกระทาเช่นนั้นจะมีความรู้สึกในลักษณะที่ต้องการปรารถนาเกี่ยวข้องผูกพันกันในด้านความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับราคาซึ่งาหาวก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ผิดศีลธรรมหรือไม่ และการตรวจสอบอย่างนี้ในชั้นที่ประนีตขึ้นไปแต่ก็ไม่ต้องเอาประนีตขนาดนั้นคือชั้นประนีตจริงๆแล้วแม้แต่ความคิดฝันความปรารถนาตั้งใจกระทาความดีชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเทพปบุตรเป็นเทพติดามีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากมีวิมานใหญ่โต ก็ที่จริงก็เป็นอาการของราคะเป็นอาการของโลภะเพราะการตรวจสอบจึงตรวจสอบหลายชั้นแต่ชั้นนี้ในชั้นศีลธรรมก็ไม่ผิดศีลธรรมแต่ว่าในชั้นของการบำเพ็ญกรรมฐานแสดงว่ายังมีกา ร, รมฉันอยู่สมาธิก็เกิดไม่ได้หรืว่าเรื่องของทุจริตทางวาจาที่ออกมาในรูปของการพูดเท็จเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกัน ลักษณะการพูดเท็จนั้นเอาก็จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติได้ง่ายๆบางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่พูดเท็จด้วยตนเองแต่ไปส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นเขาพูดหรือบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นการโกหกจนมีคนโทรศัพท์มาที่บ้าน ตัเองไม่ต้องการรับโทรศรัพท์ก็บอกคนใช้บอกกระบอกบอกว่าฉันไม่อยู่ก็นี่ก็แสดงว่ายังยินดีในการโกหกแล้วก็พอใจชอบใจกับการโกหกเหล่า น, นที่จริงตัวเองก็โกหกด้วยซึงก็หมายความว่าผลในการปฏิบัติยังจะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไป ในข้ออื่นก็พึงตรวจสอบโดยทำลองนั้นการตรวจสอบเป็นแว่นสองใจเป็นธรรมะสองใจจําเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบและก็จัด ก, การนธนุถนอมตัวเองการเชิดชูตัวเองความหลงตัวเองตัวนก็มีอยู่มากตามปกติคนเราก็เป็นอย่างนั้นจะมีลักษณะหลงตัวเอง อย่างที่เราพูดกันแม้ในโครงโลกกันนิดที่ว่าโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองจิตชินนินทาขอนเวน้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดท่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญเป็การแสดงเห็นึงว่านั่นคือการนทนุถนอมตัวเองปกป้องคุ้มครองตัวเองหลงตัวเองแล้วกลายเป็นความเห็นแก่ตัวาการที่จะตรวจสอบใจตัวเองได้ จะต้องกระจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะในพฤติกรรมทั้งหลายเช่นพวกอากติต่างๆเป็นการแสดงถึงถูกหักเหออกไปด้วยอำนาจของกิเลสบางครั้งอาจจะเป็นความคิดเข้าข้างด้วยความคิดในทางทำลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาการของอากติที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งสามระดับคือทางกายก็ได้ทางวิจา ก, ก็ได้และทั้งใจก็ได้เมื่อตรวจสอบเหล่านี้ก็ตั้งปัญหาต่อไปเพราะในข้อสุดท้ายนั้นในโครงสร้างเต็มรูปคือโครงสร้างของพระริจาเนี่ใ น, นเดี๋ยวกัตตาญานคือรู้ว่าได้ละแล้วแมมต่สมุทัยที่ควรละนั้นตนได้ละแล้ว ก็ต้องดูมีการตรวจสอบมาโดยลำดับมาได้ละแล้วบ้างหรือยังอย่างาน้อยก็ลดมาบ้างไหมแต่ส่วนการละการดับไปเลยนั้นที่จริงการดับบางชั้นบางระดับที่หยาบหยาบมันก็ดับกันมาได้แล้วก็ดูว่าได้มีการละการดับลงไปบ้างไหมอยู่ในจุดที่ควรแก่การภาคภูมิใจที่รู้สึกว่าคุ้มค่า เวลาของชีวิตที่ใช้ไปได้เกิดประโยชน์ในด้านสร้างสารรค์พัฒนาจิตใจเสริมสร้างความสงบให้แก่จิตใจเป็นปฏิปทาเป็นบันไดที่จะสร้างภพสร้างชาติของตนให้มีความประณีตยิ่งขึ้นการตรวจสอบตัวนี้จึงเป็นการตรวจสอบอยู่สมเอเสมอถ้าจะถามวันแนวเหล่านี้ แนวที่มองดูสมุรรทัยศาสตร์่งเกิดขึ้นภายในจิตใจข้างต้นนั้นคือเจ้าทรงแสดงไว้หลายแนวหลายวิธีแล้วก็หลายโบหารแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือหนึ่งต้องมองเห็นความจริงโดยสภาพของกิเลสเหล่านั้นว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ชั้นที่สองก็มองเห็นโทษ ของกิเลสเหล่านั้นแต่ละข้อตามความหนักความเบาจึงกิเลสสายโลภะมีโทษน้อยแต่ว่าคลายไปได้ช้ากิเลสสายโทสะมีโทษมากแล้วก็คลายได้เร็วสายโมหะนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องละแล้วก็ดูว่าได้ละไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร แต่เป็นเรื่องที่จะต้องมองตลอดไปและพยายามตลอดไปเพราะนั้นคือจุดมุ่งหมายของผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะตามปฏิปทาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อจา น, นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป